ดูเหมือนจะเป็นความทุกพิเศษของคนดีที่คนชั่วจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยเลยจะเรียกว่าคนดีก็มีทุกแบบของคนดีก็ได้และเมื่อทุกแล้วก็เป็นโอกาสให้วงจรกิเลสเริ่มหมุนได้อีกโดยอาจเกิดความขุนมัวหม่นหมองน้อยใจขัดเคืองฟุ้งซ่านหุนหันเป็นต้นอาจให้ทำการบางอย่างผิดพลาด